แต่เมาืจากข้อเท้าซ้ายผมจึงทดลองลงน้ำหนักไปตามจุดต่างๆที่เท้าเพื่อแก้อาการแต่ไม่หายผมทดลองใหม่ด้วยการงอเข่าขณะเดินนิดหน่อยเสียงนั้นหายไปเมื่อก่อนผมไม่เคยสังเกตหรือใส่ใจในเสียงที่เกิดขึ้นและเดินไปตามบนจิตโดยปล่อยให้เสียงที่เกิดขึ้นนังไปตามความเคยชินเป็นสัญชาติญาณแต่หลังจากที่ผมรู้สึกได้ถึงมนันและป ร, ะประปับเปลี่ยนแค่ขยันเป็นปรรยยัญญาญา พูดอธิบายประกอบหน่อยได้ไหเพราะอันนี้กูเขียนมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี่คุณเข้าใจตรงนี้ เ, เองรึว่าไเข้าดูอกไม่ว่าที่ตอบนี่ยมันผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหขณะนี้คุณรู้สึกยางไงที่เป็นสมาสติที่เป็นวิชฉาสติคือเป็นสัญชาตญาณและเป็นปัญญาญาณรู้สึกเป็ความเย็นอ่าตอนนี้ยังเต้นอยู่ไหม เ, เพราะอะไรเพราะอะไ ร, ระจะเป็นเพราะว่าความคิดความความคิดความเปามาอะไรนะครับข้ำว่าเมืเ่อเขาได้รู้ปัจจุบันเท่าไหร่ไปอยู่ในความคิดหมดเลยใ ช, ใช่ครับอ่าดังนั้นสิ่งงนั้นสิ่งที่ตอบสิ่งที่ตอบมาก็ไม่ใช่ถูกเพราะมันไม่ตรงกับความจริงขนาดนี้ หให้คิดว่าสิ่งที่เราตอบคือมันสัมพันธ์กับความจริงขณะนี้ด้วยเพราะขณะนี้เป็นสติถ้าหากว่ามีภาวะที่เป็นเกิดนี่เป็นสัญชตาตญาณใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวปัญญาญาณเนี่ยมันก็จะต้องรู้ว่าภาวะขณะนี้เพียงแก่รูปกระทบรูปคือเสียงหลวงพ่อกระทบหมูคุณแล้วเสียงของคุณกระทบหมูหลวงพ่อคือรูปต่อรูปแล้วก็มีความหมายว่า รูปอันนี้ก็ให้เกิดตีความหมาย <Okay. S 1> <c oughs> ว่าสัญชตาตญาณคือหัวใจมันเต้นตุหัวใจมันเต้นคืออาการตัวความคิดและตัวกายด้วย <c oughs> ตัวกายเป็นปรากฏการณ์ของขณะที่จิตนี้ขณะนี้ไม่ไม่สงบนะก็ <c oughs> อ, ะอให้กายก็ไม่สงบไปด้วย อันนี้เป็นผลของศาสตร์เทวิยานแต่ขณะเดียวกันตอนนี้คุณเริ่มได้สติแล้วใช่ไหมอาการนั้นหายไปยังไม่หายยังไม่หายรับรู้มันรับรู้มันเรื่อยๆนะก็คิดว่าพอรับรู้มันเฉยๆแล้วสามารถตอบปัญหาของอาจารย์ได้เอฟมันติดติดแบบใจก็เลยเต้นตุกๆมันมีผมอะไรกับสิ่งที่ผมจะตอบ ฮะพ่อมอกันไม่ได้เ<ะ>นาะอ๋อใช่หัวใหญ่ไม่ตอบได้ดังนั้นในความเป็นจริงเนี่ยจะทำาให้อาการนี้ไม่มี <c oughs> ทั้งทั้งที่คุณก็ได้ปฏิบัติมาบ้างแล้วใช่ไหมแต่ทำไมอาการนี้ยังปรากฏอ๋อ เพราะการระลึกอยู่ในะปัจจุบันไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็จจะเป็นผลสืบเนื่องมจากสิ่งที่เนเคยเป็นเมื่อก่อนอะไรอย่างี้เเป็นเมื่อก่อนไม่เคยชินครับการพูดในที่สาธารนณะอะไนอ๋อแต่ถ้าหากเราทาบ่อยๆก็จะเคยนะเพราะนั้นสัญชตาตญาณความเคยชินอีกแบบหนึ่งและปัญญาญาณคือความเคยชินอีกแบบหนึ่ง ความเคยชินแบบปัญญายาณคือเราทําซ้ําในสิ่งนั้นบ่อยๆเราไม่เรียกว่าความเคยชินเรียกว่ายานคือหมายความว่ามันชํานาญในส่วนที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าเป็นชํานาญที่มันเป็นอดีตอนาคตไปแล้วก็เป็นสัญชาตญาณคือมันเกิดจากความจําแต่ปัญญายาเกิดจากความจริงเป็นสติปัญญาแต่สัญชาตญาณเกิดจากสังขารและสัญญาและสังขาร ทีนี้มันยังเป็นความจําอยู่นะของคุณหน่อใช่ไหมคุณเขียนออกมาได้แต่ความจริงคุณยังทําไม่ได้ใช่ไหมเออถึงถึงเขียนเรื่องก๊อบแกลเป็นไหมอ่ะใชนน่เรื่องของ่าวเนี้ยผม <c oughs> ผมประสบการณ์ผมโดนตรงตอนช่วกับวันเลยใช่ <c oughs> แต่มันผ่านไปแล้วเ <c oughs> นาะ <c oughs> นผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วขณะนี้อาการก๊อบแก๊ลไม่มีแล้วคือมีแต่ว่าคือผมจะเออมันมันจะมีก็ต่เมื่อถ้าผมเหยียดขาตรงในเวลาเดินอืมอืแต่ว่าผม ที่ว่าเป็นปฏิเสธเพราะว่าผมผมจับันทดลองดูครตรลองคือหลังจากที่ผมรับรู้ความรู้สึกที่เมื่อก่อนผมไม่เคยจะไปสนใจมันในเรื่องที่เวลาเดลแล้วมันจะมีเสียงกรอบแก๊ที่บือเวนข้อเท้าตรงนี้ชัดเจนมากเลยทุกครั้งที่พอพอสวดขอโทษเวลาสวดเนี่ยไปพยายามนึกถึงคำสวดหนึ่งสือนมไปจะลืม แต่พอตั้งสติปั๊บเนี่ยคำสวดมันจะมาเองนะอั น, นี่คือตัวปัจจุบันตัวปจำมันเป็นแสงสว่างเพื่ <c oughs> อส่งสิ่งที่มันมีอยู่แล้วพอพอเราไปใช้ความจํานึกถึงปับ๊บมันทิ้งปัจจุบันสิ่งที่เราสมมุติไฟฉายเราส่องตรงนี้ใช่ไหมพออ่านไปฉายไปตรงโน้นปับ๊บเราจะอ่านถึงสือตรงนี้ไม่ออกเพราะมันไปส่งที่นน่นพอเรากลับสายนี้ปับ๊บเราอ่านออก เพราะนั้น <c oughs> <c oughs> ดึงจิตมาอยู่ปัจจุบันปับแสงสว่างปรากฏความความจำตอนนั้นสัญญาตอวนี้จะเปนเป็นสติเป็นปัญญาแต่พอไปนึกถึงอดีตปับ <c oughs> สติปัญญาตอวนี้กลายเป็นสัญญาเปสังขารเพราะนั้นตัวรู้คือตัวประกายดูเนี่ยเหมือนสติเนี่ยจึงเป็นตัวสำคัญ มันสามารถจะเปลี่ยนสัญญาสังขารให้เป็นปัญญายาญก็ได้เปลี่ยนปัญญายาณให้เป็นสัญญาได้สังขารก็ได้เหมือนกับถ้าหลงพ่อส่งลงมาอตรงนี้มันเห็นสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าใช่ไหมพอส่งไปตรงนู้นมันเห็นข้างหน้าแต่มันไม่เห็นตรงนี้สมมติไปส่งไปตรงนู้นเอาหนังสือเล่มหนึ่งไปอ่านหนังสือตรงนั้นมันก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ไหมแต่กลับมาส่งตรงนี้มันใกล้กว่ามันเห็นเราจะเห็นสิ่งที่ใกล้กว่าเข้าใจไหม ยังงงๆอยู่นะต้องทำไปไเรื่อยๆ <c oughs> เอาต่อไปคุณนันทพร <c oughs> อันนี้ออกเรื่องความรู้สึกตัวที่บุกกระติกนะคะถ้าความรู้สึกตัวที่บุกนี่ก็คือเราจะตามรู้การเคลื่อนไหวของตนเองรู้สึกตัวตลอดเวลานะอย่างอย่างตอนบ่ายๆนะคะจะรู้สึกว่ามีอาการร่วงนอนนะคะเราก็ดูว่าตอนที่นั่งอยู่เนี่ย ผมมีลมพัดแล้วก็ทำช้าเกินไปอะไรอย่างี้กคะก็เลยทำให้เร็วขึ้นแต่ว่าก็ยังชอบลมพัดนเก็แต่ว่าทำให้เร็วขึ้นก็จัดหายง่วงนอนอะไรอย่างงี้นะครับะก็เลยรู้สึกว่าอย่าี้ก็น่าจะถูกเน่าจะถูกอยู่แล้วขณะนี้ลมยังพัดอยู่ไหมลมเวทาไม่พัดแล้วมีงงเการเการอนเขียนตอนเขียนนั่นนะ่ะเตตอนนี้กลัวตอบผิดอ๋อทไมแล้วขณะนี้เป็นไ ป, นปนยังไงที่เ้วเข้าใจ เพราะถ้ามันตอบถูกแล้วมันจะเป็นปัจจุบันบถ้าตอบผิดมันจะเป็นอดีตเพราะฉะนั้นอันนั้นอ่านจบแล้วคุณคุอธิบายต่อให้เป็นปัจจุบันอ่านอธิบายต่อจบแล้ว嘛เอาจบยังไงมันยังเป็นอดีตอยู่อะปัจจุบันเนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงไ <c oughs> รู้สึกเฉยๆค่ะรู้รู้ตัวว่ากำลังตอบคำถามแต่ว่าไม่มีความรู้สึกอะไรโอ้ไม่มีเลยเหรอไม่มีความรู้สึุณหนักคุณนั่งทับ คุณนั่งทับตัวเองทั้งหลายกิโลอะต้องเฉยเฉ ย, ยอยู่นเะมื่อวานอาจจะหนักหนักเนี่ยแต่วันนี้ไม่หนักอะไรเอา ค, คุณลุกขึ้นดิ <c oughs> ความรู้สึกที่นั่งเมื่อกี้กับเดี๋ยวนี้ต่างกันไหมไม่ต่างเท่านั้นตามความรู้สึกนะครับไม่ได้ต่างมากเอแสดงว่าไ ม, ไม่ตอบตามความเป็นจริงแล้ว <c oughs> ระหว่างที่คุณ <c oughs> นั่งอยู่เนี่ยน้าหนักมันกองอยู่ เมื่อวานเนี่ยใครตอบว่าในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยกับยืนเนี่ยน้ำหนักมันจะต่างกัน1นึ่ส่วนสมใชม่ใครตอบเมื่อาวานเหมือนว่ามันหายไป3ส่วนมันเหลืออยู่หนึ่งส่วนใครตอบเมื่อาวานไอ ม, มันดูเหมือนคุณนะถ้าคุณใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นะคือความทุมจริงนะมันจะต้องรู้สึกเพราะคุณหนักไม่ต่ำกว่าห้าหกสกิโลนะพอลุกขึ้นมามันจะเหลือแค่ประมาณ10บกิโล เป็นเพราะบอกนั่งอ๋อไม่เพราะเป็นเพราะอาการที่คุณสะพัดเอาละคุณนั่งลงเนี่ยคุณนั่งลงนั่งลงอ่ะความรู้สึกต่างกันไหมระหว่างยืนกับนั่งถ้าคุณบอกว่าไม่ต่างนี่ผิดปกติแน่ๆเลยผิดปกติเพราะว่าอาจจะตัวปัจจุบันไม่ชัดนะปัจจุบันไม่ชัดเพราะนั้นพยายาม พยายามสื่อกับปัจจุบันให้ชัดชัดมาแล้วมันจะสัมผัสความจริงแต่ปัจจุบันนี้จิตของเราคนส่วนใหญ่มันจะลอยไปจนจนลืมอาการเหล่านี้เหมือนไม่รู้สึกอะไรนะแต่ความจริงมันรู้สึกเต็มที่อ่ะแต่ว่าเนื่องจากจิตของเราไม่ไม่รับรู้ลนนนักษณะนี้ก็จะทําให้ตัวสติสัมยายที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะมันจะไม่ลึก พอไม่ลึกแล้วมันก็จะเหมือนกับต้นไม้รากไม่ลึกอะ่ะโอกาสอะไรมากระทบอะไรมันก็สั่นคอนะันาะไม่ใช่หิวง่ายถ้าต้นไม้มันปลูกแล้รากไม่ลึกมีอะไรมากระทบเลยนะมันสั่นไปถึงรากมันหลุ ด, ลดสิทธ์ของเราก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่าไปาให้ความสาคัญกับสิ่งภายนอกมากเนี่ยมันไม่ยึดโยงกับความรู้สึกตัวที่เป็นจริงไงนะที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาณปัจจุบันนย หายใจภาพตาอ้ปาปากหนักเบาที่ปรกากฏชัดๆเนี่นะให้ให้ตัวรู้สึกเนี่ยต้องมาสัมผัสตรวนี้เรียกว่ารูปนามาความสําคัญของรูปนามก็คือเป็นความรู้สึกที่จริงๆไม่ใช่นึกเอาแต่ความรู้สึกดิเวทนาขัเนเย็ยนระอนอ่อนแข็งเค่ ง, งตึงเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีจริงอยู่ใช่ไหมเวลาคุณเปลี่ยนขยับไปมันก็มีการเปลี่ยนหนักเบาจริงๆให้เห็นจริงๆ แต่ถ้าเป็นความรู้สึกแบบที่เรานึกคิดเนี่ยมันกลายเป็นอดีตอนาคตทันทีแต่ว่าสัมผัสในปัจจุบันมันก็จะเห็นความจริงที่พอมีรากของรูปและนามอยู่เพราะนั้นตัวนี้ให้ให้สัมผัสบ่อยๆถ้าหากว่าไม่สัมผัสตัวนี้บ่อยๆโอกาสที่จะรู้รูปนามมันออกไปไกลมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ไม่ไมาอยู่กับปัจจุบัน ซึ่งหลวงพ่อเน้นบ่อยๆว่าการที่เราเคยชินกับความรู้สึกอย่างเนี้ยเราก็เลยไม่เห็นความสําคัญของมันเพราะจริงเนี่ยยาที่นักาที่เราเหยียบไปทุกวันวันหนึ่งเราค้นพบว่ามันเป็นยารักษาโรคของเราที่ดีที่สุดเราก็จะทนุถนอมเอาไปปลูกอย่างดีเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักมันเราก็จะเหยียบมันไปมาอย่า ง, งนี้ทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันที่เรานั่งทับนอนทับยินทับมันทุกวันนี้นะแต่เราไม่เห็นความสําคัญของมัน แต่วันหนึ่งเราสัมผัสรูปนามตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นความสาคัญของความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เรายืนทับนั่งทับมันอยู่ที่เราไม่เคยรู้สึกกับมันเลยเข้าใจได้ไหมโอเคต่อไปคุณจีรนัน ตัวที่ไม่ถูกต้องเป็นอย่างไรและให้คน่างไหนคุณไม่ต้องจําคุณอธิบายตามที่คุณเข้าใจตามนั่นเลยก็รับความรู้สึกมีความรู้สึการรู้ตัวก็คือสิ่งที่เราได้รับรู้กับการการพบการที่เรารับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบกับตัวเราสารอัยการณทั้งห้าทักอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้ารู้สึกตัวที่ไม่ถูกต้องคือการรับรู้ที่ไม่ เอ า, าที่ถูกต้องกันคือการรับรู้ตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆโดยโดยโดยเข้าใจว่าสิ่งนั้นก็เป็นมีกฎไตรฟ์อยู่แล้วถ้าการความรู้สึกตัวที่ไม่ถูกต้องก็คือการรับรู้ตามอายตดนะที่มากระทบเราแต่ว่าเป็การรับรู้สิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องโดยที่เราเอาอาจจะมีอคติมีความคิดมีความคุ้นชนะินอะไรต่างๆเนี่ยป่ะไปเึงดอนสิ่งนั้น แล้วก็ผลผลการรับรู้ตามความเป็นจริงการรับรู้ที่ถูกต้องมันก็จะมีผลทําให้เรา ờ, สามารถค่อยๆดูค่อยพิจารณามีสติแล้วเราก็สามารถพัฒนาดิจิรญาได้แต่ถ้าหากการรับรู้ที่ไม่เป็นจริงเราก็ทําให้เราไม่มีสติในการจะดูมันพรว่าเราเอาใจเราว่าคมรู้ชิงหรือเอาความถนัดเราไปควบคุมมัน AL, แล้วก็ทําให้เกิดปัญหามาเยอะแยะ คุณคุณยกตัอย่างที่ที่จังหวางที่เขว่าคืออสรหมดนะก็คนสึกวาตรงืนมันไม่มันไม่มีละมันตรงนี้ร่มดีที่สุดมอสแล้วเห็นมดก็ไม่เป็นไรมีมดก็มีมดก็คือโดความจริงมอมันก็เป็นสัตว์ของมันที่มันอยู่อย่งนอยู่แล้วนั่นเราก็ระวันฆ่าการยเทียมมันะก็ก็เดินไปแต่พนักเดินไปอ้ามดมันปิวลงมาเข้ามาเสื้อในผ้าเราออกก็ไม่ไปอันนี้เป็น รู้สึกว่าเราก็ไม่ไปโกรธเขาเพราะว่าก็เข้าใจว่ามดมันเป็นสัตว์มันโดนลมลมมันเป็นธรรมชาติมันพัดมันโดนาล้วนั่นเราก็ทําให้เราเกิดปัญญาว่าเฮ้เราก็ต้องดีนหะเรื่องหาที่อื่นก็แล้วกันก็ก็เป็นการพัฒนาปัญญาของตัวเองว่าเออต้องหาดูที่เหมาะที่เหมสมแล้วก็กระบวนการป้องกันปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็รู้ว่ามันก็ทําให้เรามีปัญญาขึ้นมาแต่อาจไม่ถึงการเนปัญญาค่ะแล้ถ้าถ้าเป็น เชิงความมิดที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นแอร์ที่เราเย็นมากถ้าเราเราไม่ดูต่างต่งภาพความจริงๆว่าอากาศภายนอกเนี่ยมันมันไม่ดีแล้วถ้าเราไม่เปิดแอร์คนข้างในโดนโดยรวมก็อยู่กันไม่ได้แต่เราเองเอาใจที่เราที่หนาว่างว่าเราอันจะใส่เสื้อภ้าไม่เพีงพอเราก็จะไปเอ่โทษคนโน้นคนนี้หรือแอร์ไม่ดีเกิดแดเกินไปอะไรเนี่ยะ เดี๋ยวเรื่องพอถามก่อน <c oughs> เดี๋ยวลุงพ่อถามก่อน <c oughs> ว่า <c oughs> ขณะที่คุณเหยียบเท้าลงไปรู้สึกถ้าคุณเหยียบมดตัวหนึ่ง <c oughs> จะรู้จะรู้ว่าเราเหยียบมดไหมโดยที่เราไม่เห็นมดอ่ะรู้ไหม <c oughs> ไม่รู้ใช่ไหมอ่าแต่คุณรู้ว่าคุณกําลังเหยียบเท้ากับพื้นอ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> การที่เอาใจไปใส่ว่าจะเหยียบมุดก็เอาใจไปใส่กันแล้วว่าเหยียบแล้วรู้สึกหนักเนี่ยอันไหนมันเป็นปัจจุบันมากกว่ากันนกรู้สึใช่ไหมพอเราไปใส่ใจมุดปับ๊บเราจะดึงปัจจุบันใช่ไหมเราไปดึงเท้าที่หนักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเล็กๆน้อยๆนอกตัวแม้แต่นิดเดียวมันก็ดึงความสนใจเราออกไปละแต่นะ ปัจจุบันถ้าเราเจริญสติต้องมาใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวเราก่อนให้ชัดก่อนพอเราสัมผัสสิ่งเล็กๆน้อยๆในตัวเราเองชัดสิ่งภายนอกมันจะเห็นชัดเองแต่ถ้าเราไปใส่ใจสิ่งเล็กน้อยภายนอกปั๊บเนี่ยมันจะลืมตัวเองแล้วมันก็จะคิดออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวความเคยชินตัวเนี้ยมันยิ่งใหญ่จนทําให้เราลืมน้ําหนักตัวทั้งตัวเลย <c oughs> เพะพยายามกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นความรู้สึกนี้บ่อยๆนะให้มันชัดเพื่อความรู้สึกตัวชัดเนี่ยมันเราจะให้แสงสว่างสมมติแสงสว่างกองไฟนี่นะมันเริ่มหลุหลูแลเราจะทําให้ไฟนี้สวา่างยังไงเราก็ไปเป่าที่ไฟหรือไปพัดที่ไฟใช่ไหมพอไฟตรงนี้มันโพล่งขึ้นแสงสว่างก็ปรากฏ เหมือนกันเรามากระตุ้นความรู้สึกณนะปัจจุบันเหมือนกองความรู้สึกตรงกองไฟแล้วสิ่งที่มันจะขยายไปนอกมันก็จะชดัดของมันเองนะหรือเราสองไฟฉายกลับเข้ามาที่ตัวเราเห็นทางแล้วก็ไปถูกเพราะสองไฟฉายที่ไปตรงนู้นแล้วก็เดินไปนี่มืดๆ น, นะแต่แสงไฟฉายนี่เราจะสะดุดล้มต่อตรงนี้ก็ได้พอเราไปดูตรงนู้นอันนี้คือตัวปัจจุบันที่เราสัมผัสอยู่หนะั่นะันะนั้นเองในความรู้สึก คนปัจจุบันเนี่ยเรามักจะไปเอาความจริงที่ภายนอกตัวเองแต่ความจริงที่เราสัมผัสในตัวเองเราไม่คุ้นนะเรพรู้ตามความเป็นจริงคือรู้อย่างไรคือรู้สภาวะที่ปรากฏขณะนั้นๆความเป็นจริงนั้นเองหลวงพ่อมักจะดึงเข้ามาหาตัวเองเพื่อจะให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นรากของความจริงนะคือรูปกับนามกายกับใจเนี่ยแต่ว่า มีรูกแต่ไม่มีนามก็ไม่เรียกว่าเป็นความรู้สึกใช่ไหมมีนามแต่ไม่มีลูกก็ไม่เรียกว่าความรู้สึกเพราะความรู้สึกตัวคือความรู้สึกที่สัมผันธ์กันระหว่างรูปกับนามเช่นเรารู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงคันนี้ของรูปแต่ถ้าไม่มีนามเราจะรู้ไหมว่าเรามีรูปอยู่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เห็นชัดว่าความจริงที่เราจำกับความจริงที่เราสัมผัสต่างกัน ส่วนใหญ่เจะพูดความจริงท <Yeah. S 1> ี <lur ker> ええ่เราจำแต่ความจริงที่เราสัมผัสเรามักจะลืมเข้าใจไหมเอาต่อไปคุณสุปาราค่ะนสคะคุณพูดถึงคอนเซ็ปที่คุณเข้าใจจากเปเปอร์เมื่อต้องอ่านผูเขียนเริ่สัญชาตญาณกับความเป็นตัวนะคะโอเคสัญชาตญาณก็คือความเคยชินที่ ว่าทโดยภาษาจักรของรู้สตัวค่ะเช่นเช่นแบบอย่างตอนที่มานมีมีตอนทำกิรรการแล้ยุงกัดนะคะก็แบบว่าคับสัญญาณมาเต็มนะคะปัดตกเกาแล้วก็ดายุงด้วย่ยุงบาแบบว่ากัดได้ไงอะไรอย่างเงี้ยยงเบารือเราบาไม่มีมดใช่ไหมยคะคือไม่มีปัญญาใช่ไม่มีเจตนาว่าไม่รู่ยุงเป็นแบบอะไรแล้วทีนี้ จะให้มันเป็นปยายานัญญาญาณจะต้องทำยังไง10ตัวไม่มันจะเกี่ยวข้องกับมดกับยุงขนาดนั้นยังไงถ้าเรามีสติที่เป็นปยายานัญญาญาณเมื่อี้บอกว่าพี่บอกว่ามดเป็นมดเป็นอะไรเมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องยุงก็เอา ย, ยุงนั่นแหละเป็นตัวอย่างค่ะก็ยุงมันเป็นสัตค<ะ>่ะก็ะเป็นธรรมชาติของยุงที่แบบก็ต้องกินกพืความอยู่รอดของมั น, นะคะ่ะ เราก็ <c oughs> ล้วก็ขอบใจมันาเรี้ยก็คงไม่อยากกัดเราอะไรอย่างี้ใช่อันนี้เป็นเป็นความคิดที่เราคิดบวกแล้วใช่ไหมคื อ, อขอบใจนะที่มาขอทานเดี๋ยวฉันให้หนะนะนะนะนึ่งหยดเนี่ยพอเธอภายในเธอเรื่องตายภายในเจ็ดวันนี่นะเพราะ <c oughs> นั้นขอให้ฉันได้พรด้วยกันนอนให้มันกัดไปเนะีนะ่ย <c oughs> <c oughs> ใช่เออแค่นิดหน่อยโอเข็มสยามันเจ็บวนี้นะนะ แต่อย่าเอาเชื่อวมาฉ right, right? ่ฉันนะอะไรคุยกับมันหน่อยมันก็จะเป็นปัญญายาญขึ้นมาพ่อทาให้เกิดกุศลจิตใช่ไหมแต่นี้เธอเครียดมาทันทีไกุศลกุศลจิตมันเกิดมันสลับกันนะคะคือกระดาษก็แบบไม่เป็นไรใครกินไมได้อย่างเงี้ยเอาเลยเอาเลยมสลับทำท่าจะรู้สึกตัวได้เหมือนกันนะโอเคโอเคต่อไปคุณสุดา ฮ่าฮ่า แล้วก็จะเกิดขันเร่อเบาจะเกิดความอดทนขึ้นอันนี้คือได้สติแล้วเพราะได้สติมันจะหนึ่งเกิดความอดทนสองเกิดทิริอุตปะสมมติขณะยุงมาก่อนเนี่ยมันเกิดทิริอุตปแล้วก็ไม่กล้าไปจัดการของมันแต่เราป้องกันตัวเองเช่นหลงพ่อรู้สึกยุงมากัดที่ผมหลพ่อก็คำฆ่าเก่าตายไปเรื่องของยุงนะแต่ไอ้เก่าเป็นเรื่องของเรา พราะนั้นคนเอาว่าลากันเนาะเพราะเราเกาแรงไปหน่อยอรทำนี้เลือดติดมือมาโอเคแล้วก็ส่งันไปสวรรค์เร็วขึ้นไนั้ น, นี่แทนที่มาเจะทรมานเรามาหากินอีก7วันใช่ไห ม, มก็ไปสวรรค์เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่ปัจจุบันปั๊บมันมีคุณลักษณะหนึ่งเกิดความฮีเลอุดปากอโชคลบาปสองเกิความอดทนอันเช่นนุ่มใสเสื้อ ก็เข้าใจได้ว่าเสื้อนี้มันไม่ได้ซักนะทําให้รักษาผิวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับทิบากตรงที่ว่าเราขี้เกียจซักก็คือทนมันไปหน่อยหนะึ่งสักพมันก็จะหายนั่นนะี่อันนี้ก็ถูกต้องแล้วเป็นปัจจุบันอโอเคใช้ได้นี่เป็นโยมตอเพื่อนข้อสันชาดเจียหรือข้อสติถูกผิดที่เมื่อกี้หัวข้อที่โยมเอาไปทำอเอาข้อไหนคําถาม อ, ะอ่ะเ่อง หนูขอให้เลือกนกี่ก็เลเลือกนอนี้ค่ะเือกการรู้สึกตัวที่ถูกต้องต่างจากอ่าตสตทที่ทไม่ถูกต้องอย่างไรใช่มใช่โอเคได้เอาต่อไปคุณมโยรีเีคุมมิฉสติกับสัมมาสิยาเออเป็นยังไงอยู่กับอาการที่ตัวเองจะง่วงตอนง่วงนีจะรูกโอ้มนจะเพิ่งเอไแต่ว่าก็พยายามจะดึงเมือตอนนี้พอ เ, เพิ่งรู้สึกมันไม่สบายเลยอื อก็เลยมีความจะต้องตึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในสติที่ปัจจุบันโดยการเคลื่อนไหวตัวให้รู้ให้ตื่นตัวพอตื่ตัวเตร็จปุ๊บก็รู้สึกเอิบสบายเนาะมันมันต่างกับเองเมื่อก่อนตอนง่วงตอนก่อนที่จะง่วงเนี่ยมันเป็นวิชาสติพราะเราลืมดูเหตุทั้งมันใช่ไหมเหตุทั้งมันพอจะรู้ไหมว่าความง่วงเกิดจากเหตุอะไร บางอาจจะนั่งน้ำนานท่าเดิมนานๆหรือความล้า่อยใจไม่ได้ไม่ได้คุมใจให้ดูดีกว่าดีกว่าความเพลินนี่นะถ้าหากว่ามีสติเกิดขึ้นในขณะนั้นไอ้ความง่วงมันก็จะหายไปไวกว่านี้สัมมาสติมาช้าไปมาตั้งแต่ง่วงแล้วก็ต้องมาสู้กันในตอนเพิกผลมันจะยากกว่าใช่ไหมนี่ก็คือเนี่ยลักษณะของสัมมาสติ ว็มิใช่สติมันก็มาด้วยกันนะรู้กับหลงเราจะเออรู้กับหลงต่างกันยงงกอย่างไรก็ะทำอย่างเยอะถูเอ อ, อรู้คือมิใช่สติหลงเออรู้คือสัมมาสติหลงคือมิใช่สติถ้าเราคอยรู้ตั้งแต่แรกแกนสัมมาสติมาแต่แรกหลงก็จะไม่เกิดแต่เรารู้ตั้งแต่เออั้งแต่แรกเราไม่เริ่มรู้เรามาหลงเราก็พยายามที่จะสู้กับความหลงก็เป็นใช้สัมมาสติแต่ว่าต้องใช้เวลาและออกแรงเพราะว่าเรา จะแก้ไขปัญหาได้ยากกว่าเพราะมาแก้ปลายเหตุหลงหรืเป็นปลายเหตุรู้หรือเป็นต้นเหตุหลงน้อยๆก็เป็นต้นเหตุพอไปรู้ทันเสื่อก่อนมันความหลงก็ไม่อยังจะไม่ซับซ้อนหรือไม่ลึกเกินไปเหมือนเราถอนต้นไม้ถ้ามันเริ่มปลูกก็มาเริ่มเกิดเราถอนก็นง่ายกว่าแต่พอมรากมันลึกเราถอนไม่ขึ้นอย่างเงี้นะเพราะว่ามันไปลึกละเพราะฉะนั้นในแง่ของการแก้ปัญหาปัจจุบันก็คือ พอมันเริ่มเกิดก็สลัดออกไปแค่ง่ายกว่าเพราะมันอีกหลายปัญหาที่ตามมาถ้าสมมุติว่าในบ้านคุณเนี่ยโอ้โหต้นไม้มันไม่ใช่ต้นเดียวนะปเป็นร้อยรอยต้นแต่มันเกิดต้นคุณถอนไม่ทันนะในที่สุดแล้วก็ใช้วิธีนะตัดบ้างเผาบ้างฉีหญ้าบัา ง, บางเพราะมันตัดไม่ทันแต่คุณถอนมันตั้งแต่แรกๆที่มันเกิดนะมันก็ไม่ต้องไปเสียเวลาขนาดนั้นอันนี้คือการแก้ปัญหาไปไก็ทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าแก้ปัญหา ต้นเหตุจะทำให้เราทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยเข้าใจนะโอเคเอาต่อไปคุณรัศมีพูดเรื่องอสามมาสติกับวิชาสตินะอาเรื่องว่ายกตัวอย่างหรืว่าไม่ไม่อะไรเกิดขึ้นกับคุณขนาดนี้เอาปัจจุบันเนะี่ยสามาสติกับวิชาสติที่คุณประสบตัวอย่างขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงที่นกออก ค, คุณนั่งสบายไหมตอนนี้ออนั่งท่า น, นี้ไม่น่าสบายเ <c oughs> ชีดูตัวไหมอ่าว่าก็มันก็ไม่มันไม่ได้ทุกข์มากนะคะแต่ก็ทุกใช่ไหมก็ทุกข์เหมือนกันถ้าหากกรทุกน้อยกว่านี้ได้ไหมทุกขอยทีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนขยับดีกว่าใช่ไหม เออนั่นดีแล้วก็มันมีทางเลือกอะเราก็เลือกสิ่งที่ดีกว่าเสมอในด้นปัจจุบนนันเวลาคุณไปเก็บผักเนี่ยคุณจะเอาผักอ่อนหรือผักแก่อาผอ่อนอ่ะก็ยังรู้เลยเวลาสมมุติว่าทุกขเวทนาเป็นผักแก่ใช่ไหมสุขเวทนาเป็นผักอ่อนคุณก็เอาตัวผักอ่อนมาอ่ะอันนี้ก็จะด้วยสติมันเกิดทางเลือกแต่ถ้าขาดสติปับเราก็เคี้ยวผักแก่ละคือชนะทุกขเวทนาอยู่ตรงนั้นแต่ความ เวทนาที่สบายๆก็มีอยู่แต่คุณไม่เด็ดมันคุณไปเด็ดเอาใบาแก๊ะใช่ลักษณะอย่างเงี้ยที่เป็นตัวง่ายๆแต่ที่นี่จะทำยังไงให้มันไวการระลึกรู้ขนะปัจจุบันให้มันวเขาไม่มีสติรู้ตัวให้มากขึ้นต้องซ <c oughs> ักซ้อมความรู้สึกตัวนี้ให้บ่อยๆใช่ไหม <c oughs> แต่นี้เราซักซ้อมมาทั้งวันนะทำมันดูมันช้าๆอยู่ ว่ามันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเท่าไหร่ใช่ไหมไปซักซ้อมในอดีตและความคิดเยอะมากกว่ามันก็เลยอยู่ปัจจุบันไม่ค่อยทันใช่ไหมอโอเคเอาต่อไปคุณทัศนีย์ยาเรื่องตอบข้อที่เความรู้สึกตัวจากสัญชาตญาณมันก็แตกต่างกับความรู้สึกตัวที่แบบมีสติยังไงเออแตกต่างกันยังไงก็เมื่อตอนตา เม so yeah. well, ื่อตัดไตอนเดินนีเง่รู้สึกเปลือืยแล้วก็แต่ขณะยกกันเขาเริ่มรู้สึกเปลือยได้แพ ci ้เดิมก็ร vale ู้สึกได้ว่าเราก็ไม่ได้เริ่มมีความพอใจอยูก็เลยพอใจในการเดินพอใจในการเดินเพราะเราสึกว่าเราเดินมาได้ทุกวันนั่นทำให้เราเราปฏิบัติเราพอใจกับความรู้สึกว่าเราเราเราปฏิบัติที่ดีอย่างเนี้ค่ะแล้วก็อยู่เขสึกมากแต่ขณะยกกันก็รู้สึก แล้วก็พยายามหาเหตุว่าเบื่อก็คงเป็นเพราะว่าเพราเราไม่ค่อยปฏิบัติแลเรารู้สึกว่าการมันเรืเลยๆมันเบื่อละแต่ขนาดเดิมกันในใจก็จะรู้สึกว่าพอใจเพราะว่าเหตุน้อยเราเริ่มที่ปฏิบัติตัวเองใหม่แล้วตรงนั้นเองอน่ยเดิมเนี่ยความรู้สึกความพอใจยังน้อยก็เลยคิดในใจว่าถ้าเป็นสัญชาตญาณก็คงก็คงเริ่มถามก็คงเริ่มเลยเพราะเราเบื่อเรื่อยๆทำไมแต่ผอเบื่อก็เลยอาจจะมีความพอใจอยู่ก็ก็ พยายาจะสร้างความมั่นใจในการเดินให้มัเนมเนนนนพิขึ้นเพื่อที่จะลดความเบื่อไปก่อน้านั้นก็ค่อยๆนะคะเดิน ไ, ไปด้วยความรู้สึกกับงานก็ทํำให้สุท้าก็เดินได้ต่อไปจนจนบนมาอืมเมื่เราหาเหตุว่ า, ร, า, วา <c oughs> รู้เท่าทันความเบนะื่อนะแกทีนี้ถามคำหนึ่งว่าระหว่างคุณตั้งใจเดินจุงกลมกับคุณเดิ น, เ, น, เ, นเล่นๆเนีเ่ยเดินเล่นเป็นไหมจะความรู้สึกจะต่างกันไหมต่างอย่างไร ถ้าเดินเล่นๆกับางอย่างถึงว่าปกติเดินก็เราคงตื่นอาจจะม่สติเลยเพราะว่าอาจจะโมเดที่เริ่มตื่แต่ไกลกินอาจจะเป็นถ้าตั้งใจเดินอาจจะเพิ่เติกับอาการที่อะไรอย่า้าเดินแบบนจะเบาสบายใช่มใช่ะเออถ้าตั้งใจเดินทาไมมันหนักอ่ะจริงๆตอนช่วงที่เดินก็ไม่รู้สึกหนักเรารู้สึกเืออันนั้นเนี่เบื่อแล้วมันหนักล้วหนักที่ใจอ่ะเพราะเด็กที่เดินจะหาใจรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่เราไิ่ทำทำไมเราต้องมาทําอะไรซ้ําๆมันเป็นความรู้สึกทีเละ่มันสะสมมาตรงนี้หลพอขอชี้ก่อนว่าชี้ประเด็นก่อนการที่เราไม่บําบัดความซ้ําๆที่หนักๆหนุ่งๆตรงนั้นออกความหนักหน่วงตรงนั้นมันไปแปลความหนักข้างในความหนักข้างในมันไม่ได้หนักเหมือนกับหนักอกหนักใจความเบื่อนั้นคือความหนักแต่มันก็ถ่ายทอดไปจากกายที่มันหนักที่เราไม่ได้ตามรู้ มันอาจจะเป็นความเบื่อความขี้เกียจความหงุดหงิดความอึดอัดความอะไรต่างๆมันจะออกไปในรูปแบบนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าหนักเหมือนเรื่ออาการของกายแต่มันออกมาในรูปของภาษามันต่างๆแต่มันก็อาการเนื่องมาจากกันนั่นแหละความที่เราไม่บำบัดความไม่สบายคือความหนักทางกายมันก็เข้าไปเป็นใจนั้นแปลสภาพจากไตรักณ์ที่อยู่กับรูปมันเริ่มเข้าไปสู่นามแก่ยากกว่าใช่ไหมเมื่อรู้แก่ยากแล้วมันก็ต้องแก้ทําไง ตรงนี้เราจะใช้ความรู้สึกตัวอย่างเดียวไม่พอแล้วต้องใช้ปัญญาหรือพิจารณาว่าอาการเบื่อนี่เป็นนิวรณ์นะเป็นอกุศลนะก็พยายามหาสิ่งที่เป็นความคิดบวกเข้ามาเรื่กว่าใช้ปัญญาละมันจะออกไม่ออกไม่รู้นะแต่คิดไว้ก่อนแต่ปรากฏของคุณมันหายไหมเบื่อเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยค็ย่งทีเรียนหลงพอก็ยังรู้สึกยังมีความพอใจอยู่ก็สุดท้ายก็หายก็ตามเพ่อไปได้อ่า ความพอใจถ้าทำไปนานๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนักกายพอหนักกายความพอใจก็จะเปลนเป็นความไม่พอใจอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันเพราะเนื่องจากว่าอาการมันเปลี่ยนไปตามหลักของอนิจจังแต่เนื่องจากว่าความคมของสติเรายังไม่พอที่จะสกัดกั้นอาการของความไม่สบายทางกายจะไหลไปสู่ทางจิตเนี่ยยังไม่มันไม่ทันพอตรงนั้น เพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือปรับไว้ก่อนปรับออกไปก่อนจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วปรับออกไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่เดินอยู่นี่รู้สึกซ้ำํำซากและเบือ่อแล้วก็เปลี่ยนไปเดินอีกที่หนึง่งเดินนู้นรู้สึกไม่ท่องแล้วก็ลองนั่งดูนั่งดูมันยังเบื่ออ่เอาเดินถอยหลังอะไรทำนองเนี่ยคือทําเล่นๆอ่ะหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆที่หลวงพ่อว่าการปฏิบัติสนุกเพราะหลวงพ่อเครืมีลูกเล่นเยอะอ่ะ มันก็ได้ปฏิบัติได้ทั้งันแต่คนใหม่เนี่ยมันลุกเล่นมันยังไม่มีใช่ไหมเพราะยังไม่ชนานาญในธรรมในการทํานะอันนั้นก็เหมือนพวกที่เขาเล่นกีฬาใช่ไหมมันเล่นพลิกแพลงยังไงก็ได้หมดการปฏิบัติจะเป็นสติเหมือนกันถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีการพลิกแพลงแล้วมันก็ทําให้สนุกในการปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ชนานาญเราก็จะเล่นแต่แต่ท่าเดิมๆ ม, มันก็หน้าเบือ่อใช่ไหมอันนี้คือตัวอยา่าง อาจะไปคุณวิมุนดัดความรู้ัวที่ถูกก็ไม่ถูกในสที่ถูก็คือาจะต้องรู้สึกเบแล้วก็เบิกบานความรู้สึกตัวกับความรู้สึกเบาเบิกบานนี่ต่างกันไหม เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าความปื้นกของมันจะออกไปรูปแบบตนึนงก็คืจะเป็นเบาความรู้สึกตัวของการรู้สึกตัวเนี่ยมันแสดงออกมามเพาว่ามันเบาความรู้สึกตัวกับความรู้สึกเบาเบานี่เป็นเหตุเสี่ยงให้เกิดความเพลินหมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่เสี่ยงต่อความเพลิน เพราะมันเป็นกลางแต่ความรู้สึกเบาเนี่ยมันเริ่มเอียงไปทางสุขเวท น, นาไดใช่ไหมแต่ความรู้สึกตัวจยเป็นกลางแต่ถ้ารู้สึกตัวปั๊บมันก็จะสมดุลระหว่างสุขกับทุกข์สบายไม่สบายเข้าหากันเรีวยกว่าความรู้สึกตัวแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวมันจะเริ่เอียงไปทางสบายหรือไม่สบายแต่ความรู้สึกโปรง่งโล่งเบาด้วยอํานาจของปิติเนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวที่ต่อเนื่องยาวๆ ก็กลายเป็นแต่เนื่องต่อเนื่องที่เป็นปัจจุบันมันก็ออกมาเป็นลักษณะโล่งปร่งเบาสบายเป็นปิติเป็นสุขแต่มันต่อเนื่องของความพอดียาวๆมันก็ออกมาเป็นปิติและสุขแต่ถ้าต่อเนื่องด้วยความไม่สบายมันก็ออกาเป็นความโมโหลำคาญใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราจะประของความรู้สึกตัวต่อเนื่องยาวแค่ไหนความรู้สึกตัวอิ่งต่อเนื่องยาวๆก็ไปปิติได้สุขเป็นปราโมุ่นเป็นปัสสธิไปอันนั้นก็ ในส่วนที่มันเป็นบวกนะฮะแต่ว่าเราต้องเช็กให้ดีว่าความรู้สึกบสบายตรงนั้นเป็นลักษณะของความที่เราเสพมันหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นมันอยู่ถ้าความรู้สึกบสบายถ้าเราเห็นมันอยู่ประคองมันดูเหตุปัจจัยของมันโอเคนะั่นก็เป็นตัวบวกแต่ถ้าหากว่าเราไปเสพมันปับ๊บมันก ล, กลายเป็นตัวนิวรนขึ้นมาทันทีใช่ไหมนี่ก็ให้เกิดความขี้เกียจต่อมาอต่อไปคุณประณี การร่าสกันท่าัสามารถสติเนี่ย <Jub> ก <ilee> ็ค <use your 34 use> ือการรู้กายใจณปัจจุบันนั่นแหละนะคะแล้วก็มีสติตัญญาในการจัดการให้กาจและใจปกติแล้วก็ณปัจจุบันเนี้ยก็คือว่ากาลังพูดตอบคำถามพระอาจารย์อยู่ส่วนในกาตรงนี้ก็ยังนั่งสบายอยู่ค่ะแล้วใจอาจจะหนักเร็กๆเพราะว่าเป็นสัญชาติญานะคะสัญชาติทตอบคำถามคามันก็หนักอ๋อ แล้วว่าเราพูดต่อหน้ารูปต่อหน้านามพระเป็นลูปเป็นนามใช่ไหมโยมก็เป็นรูปเป็นนามเออมันไม่มีคําว่าพระโยมเอออันนี้ความจริงใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเรายังเข้าไปถึงตรงนั้นความจริงตรงนั้นไม่ได้มันก็เกิดสําคัญว่ารูปนามนี้เป็นพระรูปนามนี้เป็นเรารูปนามนี้เป็นเขามันก็ไปให้ค่าพอให้ค่าปับ๊บมันก็เกิดการยึดอุปทานมันก็ก็ให้เกิดความสันคลัของความรู้สึก ใช่ไหมดังนั้นเราก็เจริญสติไปดูรูปนามของเราเนี่ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นพอไปเห็นรูปนามของเราชัดเราก็จะเห็นสิ่งอื่นเป็นรูปนาไปด้วยถ้าตราบใดเรายังเห็นว่าเราเป็นเราอยู่มันก็จะเห็นรูปนามอย่างนั้ว่าเป็นเขาอุปทานและความคิดมันก็เกิดเพราะฉะนั้นเราจะปลดเปรื่องอุปทานความเป็นเขาไป็นเราออกก็ต้องมาให้เห็นรูปนี้มันไม่ใช่เรามันว่าเป็นรูปและนอําเพราะมันเป็นความรู้สึก ตัวของเราหน้าตาอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นสมมุติที่เราจินตนาการขึ้นมาตามที่สมมุติให้แต่จริงๆที่เรามักจะไม่ค่อยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราเช่นไม่มีใครมาเรียกเราเราก็อยู่กับความรู้สึกที่เป็นจริงคือสบายไมนสบายหนักเบาอันนั้นเป็นรูปเป็นนามอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักพอไม่รู้จักปับ๊บเราก็อยู่รูปนามด้วยความหลงมันก็ไม่เรียกว่ารูปนามแล้วก็เ ร, เรียกก็เป็นอวิชชาไป ใช่มัเพราะนั้นเราถึงพยายามกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวชนิดนี้ไม่ใช่ความรู้สึกเป็นเขาเป็นเราเข้าใจนะโอเคตราไปคุณจิยาพรการพูดถึงความรู้สึกที่ถูกต้องมัไ่ถูกต้องการูดถึงที่ถูกต้องที่รู้สึกปหาก็คืออ่า ถาปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้กำลัง ต, ตอบคำถาก็ก็เป็ปัจจุบันก็คือความรู้สึกที่ถูกต้องแต่ถ้าเราคิจารณอื่นต้คือความความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนะอ่ะคำว่าถูกต้องนี่เราจะต้องรู้อะไรบ้างปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรปัจจุบันทำอะไรที่อะไรอยู่สาวนะเห็นความรู้สึกรวมรวมอยู่นะ จริงถ้าสมมุติว่าเรารู้ละเอียดลงไปคนนั้นความรู้สึกรวมๆนี้มันประกอบด้วยความรู้สึกทางกายใช่ไหมมีกายความรู้สึกทางกายมีใจความรู้สึกทางใจใช่ค่ะรวมเรียบร้อยว่าความรู้สึกตัวใช่ค่ะเราเห็นชัดอย่างนี้เมื่อคอยเราเห็นชัดอย่นีเออละมันถูกต้องละเพราะว่ากายกับใจรวมแล้วก็คือระลึกอยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นเองนะมันก็เรียกว่าความรู้สึกตัวแต่ถ้าเมื่อไรเรา ความรู้สึกตัวตรงนี้มันไม่ชัดมันไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับความจำไปอยู่กับอดีตอนาคตปับ๊บมันก็จะลืมตัวนี้เรียว่าลืมรูป ล, ลืมน้ำสัมมาสติก็เป็นมิชฉาสตอิอันนี้ก็ถูกต้องแะอ้าวเดไปคุณนัดนัดตะพัฒออนนักการศึกษาเอ่อ สติกับมิจฉาสติจ้าค่ะมิจฉาสติคือความรู้สึกตัวตามสัญชาตญาณอาจทาไปตามความเคยชินเพราะว่าม่แต่เป็นในความคิดแล้วเจ้าค่ะอย่างเดินจากรุติวันี่บางทีก็ ก, ก็มีฉาสติเจ้าค่ะรู้สึกตัวอีกทีคือมาถึงแล้วแล้วก็มันจะรู้สึกมือนไปเองฝันไปเจ้าค่ะอ๋อมันจะยากไหมวเวลาตั้งสติก่อนที่จะเดิน จะยากไหมจริ ง, รงๆก็แน่จะทำได้จังค่ะอาจจะมาไม่ทำมาเนื่องจากมันยากใช่ไหมไมีมีของที่ต้องทำเนื่องจากว่าเราไม่ได้ตั้งสติเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราจะทําอะไรตั้งสติไว้ก่อนทุกครั้งที่เราค่อยตั้งใจจะพูดเนี่ยพอก็ตั้งใจพูดพอตั้งใจพู ด, พพดมันก็จะนึกเรื่องขึ้นมาได้ทันที ซึ่งเราไม่ได้นึกไว้ก่อนในะเรื่องที่จะพูดเพราะตั้งสติปั๊บสิ่งที่มันนั้ประมาณที่บอกตัวสติมันจะพาเอาปัญญามาเองเหมือนกับเรามีคาทหรือกุญแจคาทเนี่ยเพราะเรามีคาทเนี่ยพอไปเสียบเอามามันก็จะเป็นเงินแต่ถ้าคัทนี้เราไม่มีคาทไปแม้คุณมีเงินเป็นแสนนี่ยคุณก็ไม่ได้สักบาทเลยนะไอต้ตัวเนี้ยตัวสติมันตัว ตัวบัได้ตัวกุญแจแหละในห้องนี้มีสมบัติเป็นล้านเนี่ยคุณก็ใช้ไม่ได้เพราะคุณล็อกกุญแจแล้วก็คุณลืมกุญแจคุณก็ไปหากุญแจไม่ได้ตัวนี้ก็ตัวรู้สึกตัวเป็นตัวกุญแจทีนี้เราก็ต้องเก็บไว้ให้ดีทุกครั้งต้องใช้บ่อยๆใช้ต้องเก็บมันไว้ให้ดีแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่ปับ๊บก็เกิดขึ้นมาเราอธิบายประกอบได้ไหมว่าตัว สัมมาสติ่ไหมะเหียออีกท่อนหนึ่งเจ้าค่ะสัมมาสติคือความรู้สึกตัวหนึ่งกับปัจจุบันขณะที่ทําให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงเอ่ออย่างเช่นตอนยุ้งคันเพราะยุ้งกัดนะเจ้าค่ะออืก็จะเห็นว่าจริงๆที่คันเนี่ยมันมีที่ใจมันไม่ใช่ตรงที่ยุ้งกัดตรงที่ยุ้งกัดมันแคบมันเจ็บนิดนึงเลยเจ้าค่ะแล้วก็ชา้า แต่เราไปยึดว่ามียุงไอ้นีว่ามันคันคันตรงที่มันกัดนะสค่ะแต่ว่าพอพอดูมันจริงๆ เ, คนคเนี่ยไอ้ความคันเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจมันเต้นพลิ้วพลิพพพพพอยู่ข้างบนสค่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปสําคัญว่ายุงกัดฉันเพราะจริงยุงไม่ได้กัดอ่ะแต่ตัวสําคัญผิดว่าเราว่ายุงมันแล้วก็มันไปกัดที่ใจใ<ช>แต่ยุงเนี่ยมันกัดที่การมันก็จบใช่ไหม แต่พอเราไม่รู้พอเราไม่รู้ปั๊บไปสําคัญว่ามันเป็นยุงปับ๊บมันก็มากัดที่ใจเราต่อคือเราเกิดความชอบไม่ชอบเกิด ค, ความเกลียดไม่เกลียดยงี้นะในเมื่อกัดได้สองต่อกัดเกิดกัดที่กายแต่ทะลุจิตตรงนี้เขาเรียกว่าตัวสติไม่ทันแต่ถ้าสติทันมันกัดคันตรงนี้ก็คือรู้ตรงนี้เ ก, ก่าเกาก็จบไม่จําเป็นต้องไปชอบหรือไม่ชอบมันและฉันนี้นก็กัดได้ที่กายอทางเดียวกัดไม่ถูกใจ ก็ยันตัวสติต้องไวกว่า น, นี้นะมันถึงจะป้องกันได้ไวก้กว่านี้อ้าวแต่ไปคุณอนชา พอเวลาที่เรามีสมาสติมันจะไม่มีเรามันจะไม่มีความเป็นเราอะค่ะมันจะมันมันจะเป็นมันจะเป็นกระบวนการแต่ถ้าเกิสมมติว่าเป็นวิชาสติอะมันจะเป็นเรื่องราวแล้วมันจะมีตัวตอนอยู่ในนั้นมีตัวเรามีตัวเขา ความคิดที่เราคิดว่ามันใช่นะแต่ขณะนี้ในเวทนาในตัวตัวของคุณอนุชาเองมีอยู่ใช่ไหมทีนี้คุณสัมพันธ์กับเวทนาไม่สบายในกายเนี่ยสัมพันธ์มันแบบไหนสัมพันธ์มันแบบไหนคือตลอดเวลายอมเห็นตามปวดที่ที่ที่เป็นหนองที่ที่ที่ก้นะนาก็เห็นเห็นว่ามันปวดตุ้มตุ้อยู่ที่เท้าก็เห็นมันปวดตุ้มตุ้อยู่ แต่ก็เข้าใจมันเพราะว่าด้วยความที่เออก็เราก็เพิ่งไปผามาแล้วเราก็มานั่งอยู่หลายหลาชั่วโมงก็สองสามวัน์มันก็มันก็เป็นไปได้มันก็มันก็มันก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้กลับมามันเป็นอีกก็เลยไม่ได้ไปรู้สึกแย่กับมันหรือว่าอะไรแันก็รักษาไปตามอาการค่ะอืมแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เราทรมานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ก็ยังก็จะคือมันมันมันสมเพียสมผลนะคะที่ที่มันเป็นแบบนั้นอืมจะเป็นวิบาก ที่เราสร้างมาอย่างนั้นนะแล้วก็มาแก้ไปเหตุเอาก็ก็คืออย่างเยอย่างที่ฝอกนะอาจารยไม่ต้อเป็นคนที่มีมีมันสุขภาพที่มันไม่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั yeah. ้นยองจะเห็นความเวทนาเนี่ยทุกวันเห็นทุกอานยองก็เลยแบบมันได้ยืนยันไปด้ว่ามันไม่มีเราจริงๆมันไม่ได้มันเป็นเราหรือเราเราควบคุมมันไม่ได้เราให้มันหาไม่ได้เราได้แต่รักษาเป็นตานอาการอืมก็ แต่ว่าป้องกันไม่ให้ทุกเวทนานั้นไปบีบคั้นจิตก็ใช้ได้แล้วค่ ะ, ะข้า ง, งหลังๆนั่นแหละค่ตเ้งแย่เข้าพ ร, ร้อมอาจารย์ครั้งที่แล้ว่าค่ะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยมาไม่มีคนกระจายโยเลยค่ะอ๋อสาธุอนุโมทนานะให้เข้มแข็งน ะ, ะโอเคเอาต่อไปคุณพัชรีพัชรีใช่ไหมโอเคัช่ค่ะ จากนักปราช พ, พ่อพระภิกษุสงฆ์ไม่ชี้แล้วก็่าติขางท่านนะคะขอตอบคำถามเรื่องความรู้สึกตัวที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะความรู้สึกตัวที่ไม่ถูกต้องก็คือความรู้สึกตัวที่เป็นความคืบชีต น, นะคะอย่างเช่นเวลาเราเติร์นอนลุมจากเตียงอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ด้วยควา ที่เราอยู่กับปัจมาณขนาด ไม่ใช่คุณกำลังพูดอยู่เลยขณะนีะ้ปัจจุบันนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้กายของเราเป็นอย่างนี้เห็นอาการชัดเพราะนั้นตัวสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยเข้าใจถูกแต่ว่าเวลาไปทำถามว่าทำได้ไหมถ้าทำได้ก็หมายความสิ่งที่เราเคยเข้าใจนั้นใช้เป็นใช้ถูก แต่ถ้าเรายังทำตามไม่ได้มันก็เป็นความจำอยู่เป็นความคิดอยู่ใช่ไหมคือเท่าทางโยมใช่ไหมคะใช่ท่านโยมใจวเรา ย, ยาวๆได้ไหมคะไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> เ อ, อไม่มีเวลาเ <c oughs> อาเเป็นท่านว่าโยมกาลังปฏิบัติอยู่คะ่ะปฏิบัติโดยการตามรู้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ ตอนนี้กำลังปฏิบัติตามรู้ในปิริยาบทย่อยค่ะโอเคให้ได้ตามได้ให้มันให้มันตามได้ตลอดเวลาโอเคมุทนาสาธุขอบคุณค่ะต่อไปคุณวัชรีวัชรี เต้นนะตืน ต, นตืนก็พออย่าไปเต้นเต้นไม่มีเวทีให้อ่อเตื่นรู้อย่าไปตื่นเต้นนะว่าโยมพัชรีมาปฏิบัติกี่ครั้งใครหลอกมาให้ถูกหลอกมาแล้วใครหลอกมาอ่อเลยเราโมทนาเขาด้วยนะหลอกมาในทางดีเขาเริ่มมีคำว่าคําว่ากุศลเนี่ยนะ สมัยหนึ่งหลวงพ่อพี่โมรลธรรมเนี่ยไปพูดอยู่ที่นะควปฐมพระพุทธเจ้าท่านมีอุโสโรบายที่จะหลอกคนได้เก่งมากเพราะฉะนั้นเราเรียกว่ากุศลทีนี้ตอนนั้นมันเป็นรัฐบาลที่เรียกว่ามีปัญหาอยู่สอนผมคนสลิทธิ์เนาะก็เห็นว่าบทบาทของท่านเด่นมากเพราะ พรท่านพูดแค่นี้เขา จ, จับว่าหลวงพ่อวิมุลธรรมกล่าวตัวผูริีาไปว่าผุริีาเป็นคนหลอกเก่งเหมือนเขาจับประเด็นแค่นี้ขเขา จ, จับทันหลายๆกรณีเนี่ยเอากรณีเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเราถ้ามีใครชักชวนเรามาในทางดีเนี่ยเขาเรียกกุศโลบายแต่ถ้าชวนลักชวนเราไปทางไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่ากโลบายใช่ไหมเขาเรียกเป็นกรโลบายถ้าชักชวนมานทางดีเขาเรียกกุสโลบาย มันก็เหมือนกันนะแต่ว่าทางดีเราอีกภาษาหนึ่งทางไม่ ด, ดีอีกภาษาหนึ่งแต่ที่นี้เราไปใช้ภาษาผิดเราหลอกมาในทางดีแทนที่เราใช้พระกุศลใช่ไหมกุสโลบายหลอกไปทางร้ายหรือว่ากโลบายคือกลลวงลักษณะนี้ก็ทําให้เราใช้ภาษาได้ถูกใจของเราเหมือนกันมันหลอกเรามันเป็นอุสโลบายหรือเป็นกโลบายถ้าใจมันหลอกเราให้ทุกข์ ใช่ไหมใจเรามันหลอกเราให้คิดใจเรามันบอกหลอกเราให้ละใจหลอกเราให้ชั่งเนี่ยเราทันมันไหมไม่ทันไม่ทันนะเพราะอะไรไไเป็จึงมันมีมีความบุบบุบวาแต่ว่ายังรวยไงอ๋อแล้วขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจดังนั้นวิธีการเราก็ทำใจให้มันมั่นคงก็คือมาเจริญสติให้บ่อยๆ่อยหลวงพ่อสมัยก่อนหนึ่งพราะเป็นคนพูดภาษากลางไม่ชัดใช่ไหมไปพูดเนี่ยนี่ก็จะสะเเพ้า พอบ่อยเข้าบ่อยเฝึกบ่อยเข้าบ่อยเขามันก็ค่อยชัดขึ้นความมั่นใจก็มีขึ้นเรื่ อ, อยการฝึกเพราะฉะนั้นคนใหม่ก็ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเจอความรู้สึกมันมั่นคงแล้วมันก็จะไม่กลัวอะไรสมัยหนึ่งตอนนั้นเป็นเขาเรียกไมเคิลฟูเเดที่มิสซูรีที่ตอนนั้นไปทําหน้าที่เป็นเจ้าวาดของพระศสีรัตนารามหมอขุศักดิ์เขาไปจัดงานนั้นเนี่ยไมเคิลฟูเดที่อ่าอยู่ เซนหรื อ, อยูเนี่ยเขาก็จะจัดทุกปีในช่วงวันมาคะทีนี้เขาต้องการหาตัวแทนพูดเนี่ยไปพูดในฐานะเป็นตัวแทนที่หมอคงสักต้องพอ่อหลวงพ่อต้องไปพูดงานนี่ <c oughs> เอาทำไง เ, เออพูดไปถ้าพูดภาภาษาอังกฤษไม่คล่องกับพูดภาษาไทยมันจะแปลเอ ง, งทีนี้พูดไปแปลไ ป, ไ ป, ไปมันก็ไม่ถนัดใช่ไหม มันก็ลุยภาษาอังกฤษเลยเนี่ยปรากฏว่าโอ้มันสนุกสนานมากมันเกิดความฮึดขึ้นมานะเกิความมั่นใจไม่รู้ภาษามันมาจากไหนทีนี้โอ้คนฟังก็สนุกสนานเลยเราจะเห็นว่าความมั่นใจนี่สำคัญมันไปเรียกเอาปัญญามาความมั่นใจคือสติสติแล้วขวัญและกําลังใจใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราสร้างความรู้สึกตัวปวดเราไปเรียกเรียกขวัญและกําลังใจให้กับตัวเองแต่ถ้าเราไปทําอะไรดีๆแล้วคนอื่นมาให้ขวัญและกําลังใจเนี่ย พอคนอื่นมาให้เราก็ไม่มีกำลังใจแล้วใช่ไหมแต่การมาเจริญสติเป็นการให้กำลังใจตัวเองให้เท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมเพราะยิ่งกำลังใจเยอะขึ้นปัญญามันก็เกิดดังนั้นก็สร้างจังหวะบ่อยๆนะโอเคมรนาอ่ะต่อไปคุณสันสนีใช่ไหมยู่ตอบรรึกตัวโดยสัญชาตญาณกับกายญโอเคตัวโยเอง ยังเป็นสัญชาติย า, ยามอยู่มากค่ะแต่ก็พยายามฝึกอยู่สัญชาติย า, ยามก็คือทำส่วนมากในชีวิตประจำวันนะคะเป็นไปตามความเคยชินซึ่ง ปวดนี่เม่ในช่วงยกมือหรือเปล่าใช่ค่ะหลวงพ่อแต่ว่าอาดีตนะคะเมื่อเมื่อวานนี้ค่ะปวดแล้วยอเกืองก็เกิดความกลัวท่านไม่จะปวดน้อยวันนี้เนี่ยหลวงพ่อหยัยเปลี่ยนท่าแต่แต่ไอไหลเนี่ยก็ยังพยายามอยู่ไอตรงช่วงเอ็กซ์เย์ตอนเช้าเนี่ยมันน่าจะปวดกว่านะใช่ไ้ตองยกแขนนะ่ยไอยกมือแค่นี้มันไม่น่าจะปวด ปวดค่ะยมเคยเป็นอะไรติดมอนอ๋ออะไรติดมาก่อนทษแล้วยมรู้สึกจริงคนจริงจังเกินไปเนาะทำอะไรก็ตั้งใจพอตั้งใจมันก็เกิกลิ่นค่ะแล้วยมก็มีตัวที่ว่าเราตั้งใจที่จะรู้สึกตัวมากไปหรือเปล่ายมต้องทาฝึกทำอะไรเล่นๆลั่งค่ะมือเล่นๆเมื่อวานที่ยมทำอะไร ว่าตหลัง ม, มันเบาขึ้นไหมเบาขึ้นค่ะเบาขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่ะเป็นนาทีนะคะตอนนี้ทำใหม่เขาปวดใหม่ไปวดใหม่ค่ะ แ, แสดงว่าเป็นมิบักเก่าเ <laughs> พราะมันฝังมานานลักษณะที่จริงจังตั้งใจเกินไปมันก็ทําให้เกิดการเกร็งนะมันเกร็งก็บีบรัดก็เรียกว่าตัวลูกโลกมันก็เปลี่ยนเบี่ยนนามโรคนาโลกก็เปลี่ยนเบียนลูกโลกเพราะฉะนั้นวิธีการคือเพื่อทำทำให้มันผ่อนคลายเบาๆ เตัวนี้มันเป็นอุปทานต้องฝึกต้องฝึกพ่อมาเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนทุกคนเป็นงนั้นมาก่อนแต่ด้วยการฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกแล้วมันก็ค่อยก็นับว่ายากแต่มันทําได้ถ้าเราไม่ทําไม่คลี่คลายให้ผ่อนคลายตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปนะไอความอุปทานตัวเนี้ยมันก็ยังติดตามแบบอีกไม่รู้เท่าไหร่ ที่เราจะต้องไปลงอบายกับมันนะนะแต่ถ้าเราสามารถมาคลี่คลายมันได้หมดในชาตินี้หรือน้อยที่สุดนี้นะมันก็จะสบายนะพนันยมต้องพยายามต่อไปนะข้อพคัญยมขออนุญาตค่ะมันเป็นความอยากหรือ่าคะอ๋อก็แน่นอนก่อนที่มันจะไปเก่งขนาดนั้นมันก็ผ่านความอยากก่อนเพราะอยากเป็นตันหายใช่มั้โดยที่ตั้งใจจนหนักจนเก่งเป็นอุปทานละ ติดในจุดนั้นเรียกว่าตัณหาชนิดเข้มก็เรยอุปทานและอุปทานตอนนี้กลายมาเป็นวิบากกรรมก็คือเราเราต้องทําทุกครั้งมันก็มีผลต่อความไม่สบายกายไม่สบายใจจะเป็นส่วนที่เราต้องแก้บ่อยๆเพราะฉะนั้นกรรมแก้กรรมคือแก้อย่างนี้แก้ที่ตัณหาและอุปทานกรรมมันก็เบาบางเข้าใจนะเอาต่อไปอัจชลา รับการค่ะเรื่องของข้อรู้กามแต่ชาติยานค่ะรู้ที่ถูกแต่ชาติยานนี้จะมีดวงโว่เข้ามาเยอะค่ะก็เลยใช้วิธีปรับที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนท่าแต่หลวงพอก็บอกว่าอยู่ทีเดิมที่ไหนเราดูตามดูมาหน่อยก็ลองดูก็เรื่องเห็นอาการว่าเอาง่มามันจะหาวก่อน าหาหาพักๆตามจ ะ, ะบ้าเหมือนคนสีไฟออกมาก็เรื่อแฮะขอแทะปุ๊บาก็ตื่นก็สว่างโล่งเลยอีนนี้ก็ทำอย่างนี้หลายครั้งก็เดินได้ดีขึ้นอ๋อเลหมือนเขามายมทักมันใช่ไมใช่ค่ะท้วงมัน เ, อ, อ, เ อ, อนอนะไรอ่ะนี่นเป็นอุบายที่ดีนะเป็นอุบายที่ดีส่วนใหญ่เราถ้ามัน <c oughs> ไม่ทนันมันตกก่อนแล้วก่อนเลตกเล้ให้สลบก่อนเลยก็ดีล้ ตบความเข้ามาง่ายนี่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราเกิดรู้ทันมันก่อนนะทักท้วงก่อนหลวงพ่ออามาเคยอยู่หลวงพ่อคำเขียนถ้าหากว่านั่งปฏิบัติเนี่ยถ้าอารมณ์อะไรเขา้ามาท่านอเนี่ยท่านใช่ยังเงี้ยประจําเลยนะอาจจะใช้แกอมใส่มันเอา <c oughs> เนี่ยแล้วก็กู้รนะุ่งนอะไรทำนัง น, น, นี้มันก็จะหายไปอันนี้ก็อุบายห น, นึง่ง ขยับนมาาต่อไปคุณปิยะการวันาอายอตอเรื่องความรู้สึกตัวในวิปัสนาค่ะ อ, อความรู้สึกตัวที่เป็นเป็นวิปัสนาวิปัสสันแทยานค่ะคือปัญญายานหรื อ, ปญญอเปล่าค่ะโอเคก็ เ, คคเลยตอบจากการปฏิบัติค่ะ ก็คือรู้สึกว่ามันไม่เป็ น, ป น, ปนการที่ไม่เข้าไปเป็นอะไรกับอะไรทันทีคือตอนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยค่ะอะมันมีการพอไปปฏิบัติไปแล้วก็เพลินค่ะเพลินแล้วเราหนูไปกับรู้สึกง่วงขึ้นมาเนี่ยค่ะ mm hmm. มันก็ตอนที่เราแก้ไม่ทันเนี่ ก, ก็ก็รู้สึกรู้สึกระตาไปหลายครั้งทีนี้เราก็เลยกลับมาที่ที่สิ่ง ท, ที่ตรงพ่อเคยบอกไว้ก็คือ เปลี่ยนท่าบ่อยๆแล้วก็พยายามตามรู้อาการที่มันหนักอาการที่มันคลายแล้วความรู้สึกพอเราเริ่มตามทันเนี่ยค่ะคือตามทันอาการง่วงมันก็จะหายคือการที่เราปฏิบัติที่ที่ตัวอ่ะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆค่อยๆเพิ่มลำดับมากขึ้นนะคะจากยาแล้วก็ไปละเอียดคืออันนี้มันเป็นความเข้าใจที่โยมตอนที่ทำนะคะก็ก็คือกับ น้ำหนึ่งใหม่เช่นนี้ค่ะอันี้อาการง่วงก็เลยเราก็ลเลยรับรับได้เร็วแล้วก็รู้สึกตัวเร็วค่ะ<อ>ก็แต่ระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็มีอาการที่เราตั้งใจค่ะก็มีอาการหลายติดเหมือนกันแล้วก็ก็เลยเลยลุกขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจลองทำใหม่อะค่ะขายายการรับรู้อะค่ะไปที่ตรส่วนที่ที่เราติดที่บ้านเนี่ยค่ะ ติดัดอะค่ะมันก็จะค่อยๆแก้ไปโยงก็เลยรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับสนุกกับการแก้ปัญหาอ่ะก็ถ้าหากว่าเราเข้าใจเนี่ยมันจะเห็นรายละเอียดเยอะนะเรามันจะเข้าไปแก้ได้เร็วมันสามารถที่มันเข้มเอาเติมให้มันจางลงมาหน่อยหนึ่งโอ้มันจางกิดไปเติมมันเข้มขึ้นมามันสามารถที่ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ตัวนี้สําคัญเพราฉะนั้นพยายามซักซ้อม ตรงนี้บ่อยๆในส่วนเหตุที่เป็นนรูปประธรรมเนี่ยให้เห็นชัดนะนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเน้นว่าเวลาการเปลี่ย น, นโยโบีบทเนี่ยพยายามให้เห็นมันชัดเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปสร้างประสบการณ์หรือเอ็กซ์เพรีให้กับจิตจิตของเรามันมีสั่งสมประสบการณ์ตัวนี้แล้วเนี่ยพอมันจะไปใช้ในแง่ของนามธรรมาเนี่ยมันก็จะเห็นชัดแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะให้ชัดเจนในรูปธรรมได้เนี่ย เราไปเกี่ยวข้อนามาทำมันก็เห็นไม่ชัดมันขมุขห ม, มัวหรือมันมันไม่เห็นยิ่งละเอียดยิ่งเป็นปรมาณิ์นี่นะก็ยิ่งเห็นยากเพราะฉะนั้นฝึกหาความละเอียดทางกายไปก่อนะนะตกลงต่อไปคุณนิชาตามนินสส ก, การหลวงพ่อค่ะก็หัวพ้อนะคะก็คือ ความรู้สึกตัวกับสัญชาติยานค่ะความรู้สึกตัวจริงๆนะก็คือว่าติตใจมันจะหลุดออกมาจากความคิดแล้วก็อารมณ์ะค่ะสว่วนสัญชาติยานค่ะก็จะเป็นการตอบสนองที่ เรามีสติในช่วงที่ช่วงนั้นนะนะเราก็สามารถที่จะเฝ้าดูมันได้หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าเคยจบยุงมามากแล้วพอท่านได้สติปักท่านกับกวันหนึ่งท่านก็ไปนั่งหัวเข้มนั่งใกล้ป่าบอกว่าเราจะไปใช้นี่ให้ยุงว่าเขาปล่อยให้ยุงกัดนะนะยุงกัดแล้วก็ท่านก็ดูเวทนาใจายุงว่า เทียวนั้นเอาหมดไปหลายช้อนนะใช่แต่ละตัวนั่นนะก็ถือว่าเป็นการใช้นี่กลรมกันไปวันนั้นนะกิวิธีแบบนั้นอีกแบบนึ่งถ้าแน่ใจว่ายู่ที่นั้นไม่มีเชื้อนะก็โอเคก็เห็นก่อนเจ็บปวดเพราะฉะนั้นทางเรารู้โดยสัญชตาตญาณก็คื อ, อพยายามไปลรืเร็วไปกลับมาเป็นปัญญาญานในขณะนั้นได้เอมันสมมุติปับ๊บมันจะเป็นปนสัญชตาตญาณรู้สึกตัวปับ๊บ ไปทีนี้ก็เป็นปยยยัญญาญาณมันเกิดมันดับในขนาดนั้นได้ทันทีพราหลงไปพอรู้รู้ปั๊บมันก็เปลี่ยนตัวหลงให้เป็นตัวรู้ได้ทันทีเลยทันทีตรงนั้นเองน ะ, ะต่อไปคุณสิริพรของข้อคือาการรู้สึกตัวที่ผิดแล้วก็การรู้สึกตัวที่ถูกการรู้สึกตัวที่ผิดการนั่งฟื้นและ ที่เราสามารถนั่นทงทําไปได้อยาก ร, ารู้สึกสบายๆมีสติกลับมาได้เร็วมีอาการเบาๆอันี้คุณประสบการณ์ของคุณเป็นยังไงประสบการณ์จริงเนี่ยคุณนั่งปฏิบัติทั้งวันใช่ไหมต้องมีประสบการณ์เยอะเลยใช่ไหมอธิบายได้ไหมว่ามันถูกมันผิดเป็นยังไงตอนที่เรารู้สึก ม, มั่วมากๆเลยอ่าเหมือนว่าเราก็พยายามจะเปลี่ยนท่าแล้วมันก็ เราก็ลาเลยลองใหม่ก็ไม่ใช่ที่แรกก็คือยกยกแบบแรงอะไรไนนะะอย่างนี้ค่ะไม่นม่ได้ไม่เข้าม่ได้ไม่เกิดอุกับอเกก็เลยเปลี่ยนมาใหม่เป็นช้าๆนิ่งๆประมาณนี้ค่ะดีขึ้น อ, อันนี้เป็นตัวรู้สึกสติที่เป็นถูกละแต่ถ้ารากว่าเราเผลอเมื่มอไรก็เป็นสติที่กลับไปผิดอีกอ น, นะก็สลับไปสลัมาอย่างนี้ แต่ใครรู้บญหัติทั้งหมดเออมนผิดไปนะเราจะให้มันผิดต่อไปไหมอันนี้เลยรีบแก้แต่หากว่าเราประสบการณ์ยังไม่พอมันจะแก้ไม่ทันมันก็เลยไปเรื่อยๆนะต่อไปคุณนริศราสุริศราเนาะคุณอ้อมค่ะริสราคุณอ้อม่าสานอ้อ่ะนริศราสราะ้่านะุอ่ะนาุนค่ะนาานค่ะได้ เขียนหัวข้อเรื่องสติสัญชตัตญานกับสามาสติหรือว่าสติปัญสานส น, นะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ได้เห็นความเข้าใจของตัวเองไว้ว่าอาการอะไรก็ตามเนี้ยนะคะที่เราที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเราแล้วเราไม่เข้าไปรับรู้ไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไปรับรู้เนี่ยเรียกว่า สติสัญชาตญาแต่ถ้าอาการอะไรก็ตามเนี่ยเราตั้งใจเราใส่ใจเข้าไปรับรู้เห็นการเกิดขึ้นหรือว่าการหายไปของอา ก, การเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าสติแบบปัญญายาหรือว่าสัมมาสตินะคะในระหว่างที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยการเคลื่อนไหวมือสิบสี่จังหวะเราก็ไปรับรู้การเคลื่อ น, าา ก, ก, าอนการอยู่ได้ชัดชัดนะคะในระหว่างที่เรา รับรู้การเครื่องการหยุดได้ชัดเนี่ยพลังมันจะมีสติแบบปัญญายาี่มนจะ ต้องบูรณา่านใช้ให้มากที่สุดแล้วก็ทุกส่วนนะนะไม่ใช่เรื่องเดียวคุณพจ น, นีเพิ่งชื่อรู้ชื่อรู้ชื่อจริงวันนี้เองชื่อใหญ่เนะาะ ต่อไม่ถูกแล้วเ ห, เห็นช่มต้องมาตามโน้ว่ามือโยนหยุ ด, ด, ดเคื่อนผ้าขนย้ไงก็ทำได้เป็นช่วงๆพักๆค่ะรู้สึกว่ากำลังสริเอไม่พอพค่ะฟังนอนไม่ไหวคือฟันอนไม่ไหวทำไมได้กลับไปในห้องอ่ะใหญ่ให่ฟังไม่ถในัดใครว่าหลวงพ่ อ, อให้อยู่ตรงทางเดิเออเลยใครเนี่นยรองปรับเอาถ้าปรับแล้วมันมีปัญหาตรงไหนก็เปลี่ยนได้ มันไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาแล้วกเอยู่ตรงนั้นก็จะว่าเรียกว่าเพนตรงไปนะ่นแะแต่มาปฏิบัติข่าว ม, มีสังเกตตัวเองอย่างหนึ่งค่ะว่าไหนเหตุความไ ม, ไม่ไม่ถนัดทุกทุกขั้นตอนทุ ก, ท, ก, ท, กทุกเรื่องที่หลพูดคุยค่ะหว่าพีดีอโอของอันนี้ความก็ไม่มีในรู้สึกแบบถูกใจอยค่ะแค<ต>่เข้าใจก็เด็กไปเผาเคลื่อนเอค่ะแต่เข้าใจนะเข้าใจมันไม่ทั้งหมดค่ะแต่ว่าเหากจะไป ตามอ่านตามหาวิธีการของตนเองเอาก็ใช่วิธีอ่านเอาค่ะอ่านใจเอานะประมุนทาเอาต่อไปไม่ี่ฟานทิพย์การประมัญการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอ่อคำถามก็คือสติที่เป็นวิชาสติและสมาสติต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างนะคะว่าอย่างเช่นเราแปลงฟันและอาบน้ำตอนที่เราจะไปแปลงฟันและอาบน้ำเนี่ยเราก็จะตั้งสติว่าเดี๋ยวเราจะรู้สึกตัวนะพอไปจริงๆเนี่ยเราก็แปลงไปแปลงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เผลอ ช่วที่เราแปลงอยู่ที่เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยเป็นสัมมาสติแต่ช่วงที่เราเผลอเป็นวิชชาสติคือเราแปลงไปลรามีสติเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นวิชชาสติตรงที่ว่ามันเป็นโดยสัญชาติญาณที่ทําไปเสร็จอาบน้ําก็เหมือนกันเวลาเราอาบน้ําเนี่ย เ, ออ เ, ออเราก็จะ รู้สึกตัวตอนแรกๆเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะาารู้สึกตัวละแล้วก็อาบไปหาไปช่วงนี้ก็เป็นสัมมาสติที่เรารู้สึกตัวอยู่แล้วพอเราอาบไปเพลินๆ น, นานๆเข้าถูตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเผลอไปช่วงนั้นก็เป็นมิจฉาสติแล้วพอเรารู้สึกตัวอีกทีหนึง่ง เราก็จะรู้สึกว่าเออน้ำมันอุ่นมันร้อนมันเย็นมันอะไรต่ออะไรแล้วก็จะรู้สึกตัวรู้สึกอะไรหลายหลายอย่างพร้อมๆกันอันนี้นี่ก็เป็นสมาสติเกิดขึ้นคือมันจะอาจจะสลับกันช่วงบางทีเคย uh huh. เป็นวิชาสติที่เป็นความเคยชินแต่ก็เป็นสติที่อทําได้จนสําเร็จ ตัวสมาสติกับมิชาสติเนี่ยอันไหนดีที่สุดสมาสติเจ้าค่ะเราทำไมไม่ทำให้ตลอดไม่ให้เกิดมิชาเลยได้ไหมก็ต้องพยายามที่จะแบบว่าฝึกบ่อยๆเพื่อที่จะให้รู้ต่อเรื่องไปเจ้าค่ะถ้าไม่มีมิชาสติเนี่ยสมาสติจะเกิดได้ไหม ถ้าไม่มีมิจฉาสติเนี่ยสัมมาสติจะเกิดได้ไหมถ้ามีมิจฉาสติมันเป็นช่วงมีเจ้าขาบางบางช่วงก็จะรู้สึกตัวชาบางช่วงมันก็จะแบบว่าเพลิเพลินไปช่วงนั้นมันก็จะไม่รู้สึกตัวมันเพลินเพินไปช่วงนั้นมนเป็นสัญชาติญาณที่อืเป็นความเคยชินมันก็จะเป็นมิจฉา ลองไปทำให้มันชัดน ะ, น ะ, ะโอเคเราไปไม่ชิวเลกลางกการหลวงพ่อแล้วก็ภรรยานมิตรตั้งนะคะองคข้อที่พิจารณาก็คือสัญชาติญาณต่างกับพญายานอย่างไรสติสันชาติญาณสติันสติ ะะสติแบบสันชัตยานต่างกับ ส, สติปัญญายานอย่างไรคะเ่า ต, ต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเรามักจะเคยเคยชินกับคำว่าสันชาติยานประจำแต่นี้เวลาลงเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นลงเมื่ไม่สบายค่ะสรรชาติยานก็คือจะต้องไปหาอะไรหา เราไปเยียดก็เกิดติดขึ้นมาว่าเหตุที่เกิดเพราะอะไรเราไปค้นดูที่เหตุก็พบว่าก็ทําผ่าไปแล้วซึ่งเป็นเลืกเย็นซึ่งร่างกายไม่ได้อือันนี้ก็เลยมีการตัดแก้เป็นเป็นภูมิแพ้อยู่ใช่ไหมภูมิแพ้เป็นเป็นกระเพาะเป็นกระเพาะโอเคแล้วก็ เวลาเราลองพิจนารณาเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาไปถึงว่าเรามีความเพลินแบบความเพลินในรถอาหารนะคะว่าเราขาดสติตรงนั้นคือสรรชาติยานความอยู่รอดอาหารที่อยู่อาศัยปลอดภยัยแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับสัตว์ที่มีแบบนี้นะคะอันนี้ตัวปัญญาญาณตรง เกิดขึ้นขนาดนี้ว่าเมื่อเราเกิดอาการที่กายเราตงจะต้องไปดูที่จิตก่อนอว่ามันจะจิตรับได้ไหมถ้าจิตมัวตัวโหนกอยู่ว่าจะตายจะเป็นอะไรนี้สติ่านทันทีพอ่อก็เลยไปบอกหลวงพ่อว่าเรยกยงไม่สมบายไม่สมบาย พ, อ พ, อพ่อก็เเข้าลรงเรียนายออกม า, มา mm hmm. เสรยวแล้วก็หลูพ่อก็บอกว่า เข้มขาก็ไม่เคี้ยวใน้เอียนนะคะคราก็บอกว่าเขาเคี้ยวนะคะแต่มันคงแบบว่าการถ่ายไม่ดีนะคะแล้วล ก, ก็เหลือเกิดลงก็อั น, นตรายจำคัญตรงที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรเฉพาะหน้านะคะเราจะต้องแก้ที่เหตุก่อนแล้วก็ออาตับ หลับตัวเราเองเสมอนะคะในถ้าสติสมิญญถูกต้องมันทําให้เกิดปัญญาปัญญามันก็จะมาตัดอํานาจของตัณหาใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าสติสมิญญาที่ไม่เกิดปัญญามันก็ไปตัดอํานาจของตัณหาไม่ได้แต่รางตัวเองอ่าใช่แล้วไปติดตรงที่ว่ารสชาติอย่เ ง, งี้ยนะมันก็จะทําให้เราถ้าเรากดพอรสชาติมันก็จะเปลี่ยนอาหารจากยาบํารุงกลายเป็นอาหาราาปัญญาบําเลออ่า ยาบำรุงถาหาเราได้สติมากกว่า น, นั้นเราก็ทานอาหารยาบำรุงมาเป็นยารักษามันก็จะทําให้เราแต่ออมาก็เป็นภูมิแพ้ถ้าทานผักรีดเย็นมากก็จะออทําให้ไม่สบายก็เอาหักเนี่ยไปผ่านไฟทุกครั้งเวลาเอาผักมาก็ต้องมาลวกก่อนอันนี้หมอเขาบอกองั้นนะควรกินผักลวกอย่เป็นต้นมันก็ไม่มีปัญหา เพราะนั้นก็ในมอฝากมาากั่งาออเดี๋ยวก่อนจะเป็นส่วนตัว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้อ่านถามคำหนึ่งว่าถ้าไม่มีสติสัญชตาตญาณเนี่ยสติปัญญาญาจะเกิดได้ไหมไม่ได้านั้นก็แสดงว่าสติสัญชตาตญาณก็ดีด้วย <c oughs> อ่ะเพราะนั้นเราไปไปไปผลักมันผลักใสมันทำไม ก็เหมือนเล่าใจว่าถ้าไม่มีอคุณสก็จะไม่เกิดเกิดอุสมอ่าถ้าไม่มีเนื้อเปลือกทุเรียนก็ไม่มีเนื้อทุเรียนอัน่าใช่ไห ม, มอันนี้คอนเซปต์มันเพราะฉะนั้นตัวรู้กับตัวหลงเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดกัน่ในกันเพียงแต่เราต้องรู้จักว่าจะใช้ตอนไหนนะถ้าหากว่าไม่มีตัวหลงก็ไม่มีตัวรู้จะปรับตัวรู้ให้เป็นตัวหลงได้อย่างไรคือคือใช้ตัวสติปัญญานี้เข้าไป ปรับแก้ทั้งนี้ไปเปลี่ยนค่ามันาเระฉะนั้นสัญชาติญาณมันมีได้เกิดปัญญายาณมีได้ก็อาศัยสัญชาติญาณถ้าปัญญาสัญชาติญาณดีปัญญายาณก็ดีสัญชาติญาณไม่ดีปัญญายาณก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าต้องเปลี่ยนค่ามันจากปลาดิบให้เป็นปลาสุกจากข้าวสารให้เป็นข้าวสุกอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้ดังนั้นลักษณะเปลี่ยนค่านั้นก็จะมีกลไกก็คือความร้อนอย่างเงี้ยความร้อนที่เราคือเราใช้คือความเพียร เพราะนั้นขณะที่เราเพียรเนี่ยเราจะมีง่ว ง, ม, งมีเงามีเบื่อมีเซ็งมีขี้เกียจมันก็เหมือนความร้อนชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเอาปรับให้มันรู้ตัวบ่อยๆก็เปลี่ยนค่าของนิวรณ์มาเป็นค่าของตัวสติได้ในลักษณะนี้ ก, นนก็โอเคอนุโมทนาสาธุทุกท่านเลยนะที่ได้ให้ความร่วมมือส่งคําตอบทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมาตอกย้ํากลับเข้ามา ตัวเองบ่อยๆต้องการทำความรู้สึกตัวนี่ให้ชัดๆเท่านั้นเองเป้าหมายเนี่ยจิงตอบย้าในคำถามเดียวเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอามาเคยเล่าอะไรให้ฟังหลายครั้งว่าอามาไปถามเขาว่ารูปนามกับหลวง่เทนนะท่านก็ไม่ได้อธิบายอย่างนี้ท่านก็อ่ะถ้าหากว่าโหดเนี่ยไม่มีฝาเนี่ย น้ำไปขวดไปไงก็ไหลออาหมดอ้าวถ้าปิดฝาละ่ะโยนไปมันก็ไม่ไหลเพราะอะไรเพราะมีฝาอย่างนั้นท่านไปหาตัวนี้มาแค่เนี้ถ้าได้คําตอบอย่างพวกเราตอบหลวงพ่อวันนี้นะโอ้โหหลวงพวไปไกลกว่านี้มากเลยนะี <c oughs> อันนี้ก็จะมาแก้ปัญหาตัวนี้ได้ไม่ใช่เวลาเป็นสิบสิปีเลยนะอันนี้เราคุยกันไม่กี่นาทีเรื่องเรื่องกันหมดละอนนี้คือความ พัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้คำตอบอ่างอ่านก่อนให้ฟังหน่อยออกตรงนี้ออกห่างตรงนี้หน่อยได้ไหมเพราะตรงนั้นมันทำให้ใต้ใต้ลำโพงมันหอน <c oughs> ชีเออออกห่างไว้นหน่อยมิ <c oughs> ชียูพินแกรลองเพลงเลยนะเอาเอาเนี่ยไปแต่งเป็นเพลงถวายหลวงพ่อมันยังไม่กล้ามาเปิดให้อยมฟังมันเพราะเกินไป <c oughs> าการจิตจแสดงธรรมออกจากจิตคือนิมิตคือสติเป็นมูลฐานคือตะปตะพัฒนาไปจิตเบิกบานหลุดพ้นนานก็เชี่ยวชาญชู้สึกตัวพระอาจารย์สอนธรรมนี้ใจสว่างให้จิตว่างจะตามรู้ทุกแห่งหนุนแม้มีสุขหรือทุกข์ใจใจกำงวลที่ยวมองหม่นรู้ตัวไว้จะได้ยาก ถ้าเพียรเดินนั่งนอนจนองสอนจิตรู้ขณะจิตเป็นสเสียงดำรงสิ่งอีกิริยาบทอย่างน้อยคอยเกื่อกูลมีใ้ส่วรู้สุดตัวเป็นอาชินจะเพียรเริ่มที่สิ่งได้สมาธิปัดสติรู้ชัดที่ตัวเราแม่ควรสลาดแม้มีสุดในดวงแดนเพื่อจะแก้สมุทยัยที่หอก สาธุสาธุนะโอ้วันนี้ได้เกรอะเมื่อเคยได้สติเท่าไรวันนี้เขียนกรอนลืมสติหมดนะเพราะนั้นกานที้เป็นคนมีอารมณ์กรอนก็คือได้สภาวะแล้วก็เอามาเขียนเป็นกรอนเมื่อไรได้วีได้สภาวะเขียนกรอนออกมาเยอะเลยหลวงพ่อเราจะได้กล่าวพาพร้อมกัน นี่อนุญาตให้เหลดได้ย0สินาที